อีกายโนอะยังพิควีมักโขทางนี้เป็นทางใส่เอกทางนี้เป็นทางให้ถึงมรรคผนิพพานอัตมาจะเทศเรื่องทางไปพระนิพพานให้ฟังทางไปพระนิพพานนั้นคือมรรคแปะท่านละ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 สัมมาสมาธิตั้งสมาธิบ้านชอบแปดข้อหรือว่าแปดหมวดนี้แปดมูแปดกล่องนี้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามรสมาคีคือมรสมาคีแล้วต้องได้บรรลุมรผลทางแปดทางนี้เป็นองค์เดียวกันเรียกว่าพร้อมกันนำกันมัดเกิดขึ้นที่ใจของเ้า ใจของเ้าก็สว่างสวัยบวมมืดมัวอีกต่อไปมองเห็นอัดเห็นธรรมเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจของเ้าเลยอันนี้สำคัญแท้ๆเพื่อจะให้วางเป็นแนวไว้สำหรับปฏิบัติผู้ได้ประพฤติตามากแปดนี้ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้เป็นสั้นลักวนเป็นสั้น พพุทธเจ้าตัดตั้งแรกเดยดเวมีพิกเวอันตาปปัจิิตเสวิตตวาโยจายังกามสุขันิการโยโคชุกโออันลิโยนัทธสนิโตเอเตเตพิกเวอุปโอนเตอยนุปคมมมัชชิมาปฏิปทานนั้นทางมีอยู่สองทางหนึ่งย้อนเกินไป จะว่ากามาสุขันลิกานุโยโคทุโกโขอันนี้ทางนี้ให้เกิดทุกข์โมเมนทางค้นทุกข์อันนี้กามาสุขันลิกานุโยโกโกพยอพฤ้นย่อย่อนตามอำนาจกิเลสไปตามกิเลสตัณหาอันนี้บอกพ้นทุกข์อันนี้โมเมนทางพ้นทุกข์เป็นทางตันเป็นทางมดเป็นทางสุด เป็นทางว่อแจ่มแจ้งว่อเป็นทางที่ทําให้เห็นมรรคผลนิพพานในใจนอัตตกิลามัทานุโยโคทุกโขทางอีกอันนึงก็คือทางตันเชื่อนั่นแหะเป็นทางตันทางไปบ่ได้ไปบ่ตลอดรอดฟังก็คืออัตตกิลามัทานุโย โ, โคลพุทธเจ้าก็ทรงทรมานตามเหตุตามมาจนตลอดเวลายาวนานหกปี บ่าสามารถบรรลุมักผลได้เลยจนจอยพร้อมลงไปเห็นแต่โครงกระดูกจับหลังถืกท้องจับท้องถืกหลังพักว่านั้นล่ะจอยพระจ้อยจอย เ, ยเนี่ยจอยยังบ่บ่บท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้สันบ่ได้นั่งบนดอกบัวได้สนันนั่งอยู่พื้ราบธรรมดายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ ว, ว่าปุถุชนว่าเป็นปุถุชนหยาบหนาเป็นผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้ิได้ตาสลูเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังบอดาเปลียนยังคล้องขัดอยู่ประพฤตตามอัตกิลามัทธนุโยคลทรมานตนให้ลําบากแสนสาหัสเลยละ่ะว่าเสเอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้แต่กบสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยตลอดเวลาหกปีทรมานอยู่นั้นบอดายปัตตาสลูเป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะมันบอดือทางเด มันบอถือทางที่ให้พ้นทุกได้เป็นทางตันเป็นทางมืดเป็นทางบอดเป็นทางบอให้เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทางสีแต่ว่าทางคือมักแปดนี่เป็นทางให้เห็นความพ้นทุกเนี่เป็นทางให้หมดกิเลสตัณหาเป็นทางให้หมดความกังวลทุกอย่างมีแต่ทางให้เก็มแจ้งในใจ เอนเป็นธรรมะไปหมดแหละอันไหก็ดีพราะคุณทีเจ้าซีสอนพวกเขามาก็คือทางมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทานี่แปลว่าทางสายกลางคือเบาโยนเกินไปแล้วก็เบาตึงเกินไปพอดีพองามทางนี้พอดีพองามเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทานี่ทางกลางทางสายกลาง เป็นไปเพื่อความพ้นทุกโดยแท้มีอยู่แปดอย่างหลังที่อัตมาปลให้ฟังก่อนนั้นน่ะเทศให้ฟังก่อนนั้นแหละสมาธิทีความเห็นชอบเห็นอย่างเห็นชอบเห็นทุกทุกคืออย่างทุกคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละเห็นชอบก็เห็นอันนี้ เห็นคนเรานี่เกิดขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็มาต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในโลกนี่เกิดเป็นนะทุกข์คนละทุกข์อย่างที่เราได้รับบอมีได้รับว่าเป็นไข่เป็นเน้าเจ็บหัวปวดท้องเป็นนั่นเป็นนี่คือใจแน่พิจัจแน่โอ้สารพัดแต่นหนุงยากปัญหาร้อยเปดคนทุกข์เห็นทุกข์ เห็นทุกข์ก็เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายอัละเห็นทุกข์นะเ่าไม่เห็นบนอื่นสิ่งอื่นหรอกเห็นมาที่ตัวเฮาเนี่แหละตัวเฮานี่แหละเป็นผู้ทุกข์ะแต่ว่าเกิดี่เฮากับพวกหัวเป็นทุกข์ที่ไหนแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบอกเกิดเป็นทุกข์นอันเฮาละเอียดแล้วเฮาก็สิรู้คือกันว่ามันเป็นทุกข์ที่ไหนแน่ก่อนนี้เฮาเว่าไปก็บอกคักแหละหัวแต่ว่าความเกิดความแก่ความเก็บความตายอันนี้เป็นทุกข์ เอาพุทธเจ้าให้เห็นทุกเห็นชุ่นี้ว่าเป็นทุกข์มันพาให้เกิดทุกข์พาให้ตกต่ําพาให้เดือดร้อนเอาพุทธเจ้าให้เห็นแก้งเห็นจริงเห็นสั้นในตัวของมันเองอืมเป็นจังสั้นอยาเห็นทุกข์สมาธิเห็นทุกข์เห็นสมุทัยคือเห็นให้เกิดทุกข์คือตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา กามตันหาคืออยากในกามเพราะว่าตันหาอยากในภพวิภาวาตันหาอยากในวิภพคืออยากว่าเปลี่ยนสั้นสั้งซี่ตามที่มันเป็นอันนี้แหละสำคัญอยู่แนตันหานี่มันสำคัญที่สุดเลยการมตัญหาเพราะว่าตัญหาวิภาวาตันหามันเอาการอยู่เฮาทุกอยู่ทุ่มืือนี่ก็ย้อนชมนี้แล้วเป็นตัการงั้นกลามตัญหาย่อมมี เพราะว่าปัญหาวิพวากษัญหานี่แหละเป็นตัวการสําคัญมันเป็นตัวที่เบียดเบีนยนในเฮามีทุกอยู่บนเสานี่ก็เพราะตัวนี้แหละเฮาท่องเที่ยวเวียนว่ายแต่เกิดในว่ัฏสงสารยาว น, น, นานเท่าไรเท่าไรนั่นก็ย้อนอันนี้ละย้อนกลมาปัญหาเพราะว่าตัญหาวิพวากษัญ ห, หานี่แหละนี่แหละพระเจ้าให้ว่าเหตุเกิดอันนี้ให้ให้ดับมัน ให้หาทางดับมันถ้าหาทางดับว่ดได้เขาก็ว่ดเห็นทุกข์ละเขาก็ว่ดเห็นธรรมละเขาวอเห็นแก้งเห็นขาวในธรรมของผู้ที่เจ้าล่ะเขาอดิคาสิครองโยห์นแหละนี่แหละเห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วนีเห็นความดับทุกข์นิโรธนิโรธมันเป็นทางดับเป็นความดับทุกข์เห็นมรรค คือมารแปดนี่แหละเป็นทางดาเนินให้ถึงความดับทุกข์นั่นอธิบายวนไปวนมาอย่างนี้แหละแต่ว่ามันอธิบายมารแปดให้ฟังให้มันเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นจนว่าสามารถละความสัวได้ถูกอย่างเอาบริษัทสัวได้เลยสมารกรรม ดัมมาสังกปะความดัมลีชอบข้อที่สองมร์ข้อที่สองอ ท, องทีแรกคือสมาติทีข้อที่สองคือสมาสังกปะสมาสังกปะคือดัมลีชอบดัมลีเป็นภาษาไทยความคิดชอบนั่นแหละความคิดความอ่านของเฮามันชอบ จะในวชอบที่หนึ่งความคิดออกจากกรารนั่นนะความคิดออกจากกรารความคิดไม่พยาบาทเวียดไม่พยาบาททำผูกใจเก็บไว้กับคนอื่นสัตว์อื่นความไม่เบียดเบียนน่ย ดำริไม่เบียดเบียนบเบียดเบียนคนอื่นบวแก้งคนอื่นบวาทาความเสียหายให้กับคนอื่นแหมนวัดชมบุญนี่นี่เป็นข้อที่สองละข้อที่สามวะ น, นี้สมาวะจากิจาชอบบวตัวว๋วบวหลอกบว ร, รวงคุได เมาความสัต์ความจริงอันใดว่าเป็นความจริงเขาบอเว่าเมาแต่ความสัดความจริงความถูกต้องแน่นอนเขาจึงเว้าบป็เอื้นว่าสัมมาวาจา่าเจรจาชอบเจรจาชอบก็คือเว้าถูกต้องตามธรรมตามวินยัยตามคําสอนของพระเจ้าบอเว่า ในสิ่งที่บอดีนั่นหละว่าในทางที่ถูกที่ควรเว้นจากความตัวความโกหกหลอกลวงความบอดีโบงามทั้งหลายนั่นแหละสมารถกรรมตะการงานชอบหนึ่งเว้นจาก บ่เพื่อผิดในลูกในเมียคนอื่นเว้นจาก่าสัตว์เว้นจากหลักทรัพย์อันนี้เป็นการงานชอบเลี้ยงอาชีพชอบคือเลี้ยงอาชีพถูกหลักถูกทำถูกถนุกธรรมเนียมบ่เพดีบ่บทํำความบ่ฆ่าขายมนุษย์บ่ฆ้าขายอาวุธบ่ฆ่าขายยาพิษทํา ม, มาหากินโดยความชอบธรรม พอเบียดเบียนคนอื่นบอให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะอาการทำมาหากินของเอา้าเอาหากินด้วยความดีความงามเอาบอไปทำร้ายผู้ใดหรือเบียดเบียนผู้ใดหรือทำให้มันเกิดทุกข์เกิดยากแก่คนอื่นอันนี้สำคัญแค่เด้ยวเ่สมาวายามะสมาวายามะความเพียร พยายามสอบเหตุนั้มันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามเมื่อท่านละความเพียรพยายามในทางซั่วก็มีความเพียรพยายามในทางดีก็มีความเพียรในทางดีนั่นก็คือความเพียรที่บ่เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนเพียรละความซั่วหน่ยเพียรทําความดีให้ถึงพร้อม เพียรทำกิดให้พองใสอันนี้เป็นความเพียรที่ถูกต้องเพียนละความชั่วที่เกิดขึ้นเพียมทำความดีให้เกิดขึ้นเพียนละความชั่วเพียนทำความดีความดีมันจะยากคว่านในห้องเพียรเอาอดเอาทนเอ า, อเอ า, เอาค่อยเฮ็ดค่อยทำไปมเป็นอย่างนั้นสมาสติ ตั้งสติสอบ่ะนตั้งสติไว้ในกายไว้ในเวทนาไว้ในจิตไว้ในธรรมสี่อย่างนี้เป็นความตั้งสติสอบความตั้งสติสอบนี่เป็นทั้งสี่ตั้งสติอยู่ในกาย คือเอาเหตุคือนี่แหละตั้งสติในกายได้นไงกายคืออย่างคือลมหายใจนี่ลมกับธาตุซีนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเอาตั้งสติไว้ในธาตุลมก็เป็นกายคือกันไงตั้งสติเปนในกายตั้งสติในเวทนาคือความทุกข์ความสุขความไม่ทุกข์ไม่สุขความเฉยเฉยนี่ให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในใหญ่ของเรา สมาสติตั้งสติชอบนั่นคือตั้งไว้ในกายในเวทนาในจิตคือในใจเฮาในธรรมคือคำสอนของพุทธเจ้าลาเวนจากนิวนรณ์ลาเวนจากขอบพยาบาทเบียดเบียนอย่างต่างๆสุบุณีแหละมแมนวัดรหละสมาสมาธิแบบนี้ความตั้งจิตเป็นสมาธิชอบเพจจังใดก็คื อ, อเฮาเฮจุนี่แหละ กำหนดรูลมหายเฉยเข้าหายเจออกอยู่ น, นี่แหละชา้นที่หนึ่งก็เกิดขึ้นแกเ่เฮาชา้ทานที่สองชั ท, ที่สามชัทนที่สี่ก็เกิดขึ้นมรรคผลคือโซดาบันสกิธาคามีอนาคามีอรหันมันก็เกิดขึ้นได้เวอรทันละมันเกิดขึ้นได้ถ้าเฮาเฮติมันเกิดลดนี่เกิดตั้งแต่สมาธิเนี่ยแหละสมาธิอนิกกะสมาธิ อุปจัลสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิก็เป็นสมาธิดหน่อยสงบได้นิดนึงอุปจัลสมาธิก็สงบนานน้อยอยู่ได้โดดใจเฮาตั้งเตียงตั้งมันอยู่ได้โดดอัปปนาสมาธิมันตั้งสมาธิเรียบร้อยสวยงามดีปานยังอันนี้มันวางมั้ความรู้สึก ภายนอกนี่มันวางวดมันเข้าไปอยู่ภายในหุ่นรู้อยู่พุ่นหละรู้อยู่ภายในหุ่นแหละอันนั้นเวนถูกต้องแล้วเดีย๋ยวอันนั้นเวถูกต้องแล้วเห็ุถูกต้องแล้วอัปปนาสมาธินี่มันมีปัญญาเกิดขึ้นนี้ปัญญาพองใส่สามารถเอาพิจารณากายนี่ปับ๊บเอาเหตสมาธิได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยพิจารณากกยนี่ปับ๊บเท่านั้นมัน พังเา ง, งาเลยว่ามียังเหลือเลยโอ้ยเขามาหลงกลรมเงาตัวนี่ว่าได้ยังเลยเขาเห็นสาต์วัดธรรมะของพระสุตจานี่รู้กแจ้ง เ, เห็นจริงวัดสุวรรสูแนวเลยว่าเป็นธรรมดานีนเขาเห็นสมาธิได้ขนาดนั้นน่ะถอนคิดออกมาอยู่อุปจารสมาธิแล้วก็พิจารณากายนี่พุบเข้าไปนี่มันจะแจ้งขาววัดเลย มันก็ได้วันรูโสดาบันคุณธรรมเบื้องต้นนะได้เป็นวันโซดาบันก็ได้มาเกิดในภูมมนุษย์นี้เกดชาติสองสามชาติชาติเดียวสูงขึ้นกว่านั้นก็คือเป็นสกิทาคามีก็เกิดชาติเดียวในมนุษย์นี้ชาติที่สองที่สามผมมีมาชาติเดียวแล้วก็สําเร็จเป็นพระราหัน์อันโซดานั้นมันเกิดแล้วมันก็ว่าเกินเกิดชาติ ชาติที่สุดอะเ่นนเกิดเกียรชาติว่าตกนรกเด้ะว่าตกนรกเลยมาเกิดเป็นคนก็มีความสุขเป็นเจ้าฟ้ามหากระสัดเป็นเจ้าใหญ่เป็นผู้มีความสุขความเจริญเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาเกิดในมนุษย์นี้เกิดในตระกูลสมาธิธีว่าเกิดในตระกูลมิจฉาธิธินี่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ ให้คิดบวกกับคักถ้าเท่าปฏิบัติจิตเท่าบรรลุธรรมเป็นพระโชดดาวันกนร้างเป็นพระโชดิตาคาก็สร้างเท่ากับโตกต่ำแล้ววะนี้มีบาปมีกรรมมันได้กระพิดวัดปิดอบายยภูมิทั้งสิ้นเลยแนะ่ะอบายยภูมินี่บวมวิมีอยู่ในใจของเท่าเลยละวะนี้ใจเท่านะั้นบวมมีอบายยภูมิเลยไม่ได้โตกนรกเนี่ยมันได้คุณธรรมสั โชดะ บ, บันแล้วสกิธาคาคือกันเอาว่าจุฬาโลกอนาคามีอันที่สามนี่อันนี้เกิดในภพมาโลกสุทาวาตคนนะอวิหาตปาสุทัสสาถุสัต ส, สียกนิฐานเะนี่ยภพมาโลกห้าสั้นนี่ตายจากมนุษย์แล้วเขาไปเกิดในภพมาโลกเลยว่าได้กลับมาเกิดในมนุษย์อีก พอได้มาเวยนวนกินข้าแจกเข้านั่นเขาหลอกบุญห้ามันสูงแล้วนั่นพอได้กลับมาในพรมโลกพอได้กลับมาในมนุษย์อีกเลยอยู่พรมโลกตลอดไปนี่เป็นอย่งซี่จนกว่าสะได้สําเร็จเป็นพ่าละหันสําเร็จเป็นผ่าละหันแล้วก็อยู่จนกว่าอายุผมสิซิสิเวิดเวิดอายุผมแล้วจึนเข้าพผนิพานนั่น ส่วนได้เป็นผ้าอรหันตก็เข้าพันธ์พานไปเลยตายแล้วนั่นผมก็เป็นธาตุเป็นพระธาตุขนก็เป็นพระธาตุหนังเนื้อกะดูพวกนี้เป็นพระธาตุมดกระดูกเป็นพระธาตุเลยเลยฟันพวกนี้ก็เป็นพระธาตุมันเป็นตะเงื้อต่ง้อสิแท้เด้คนภาวนาถึงแล้วได้แล้วนั่นมันเป็นพระธาตุมดอันนี้เออมาเป็นพระอรหันต์ กิเลสราคาโทสะโมหะนี่บ่มีอยู่ในใจของพระลรหันเลยนีพระลรหันโกรธบ่มีเนี่ยมีแต่เมตตาเห็นสัตว์โลกนี่โอ้ยสงสารหลายเมตตาหลายอือก็เป็นธรรมดาเด็กิเลสโลภโกรธหลงบ่มีในใจของพระละหันเนอกพระละหันบ่มีโลภบ่มีโกรธบ่มีหลงบ่มีอยากได้ในทางพิษบ่เ็ี ความซั่วจักยางเลยบวทําความซั่วจิตถ้าถึงเป็นพาหันแล้วบวทําซั่วเลยทําแต่ความดีความงามตลอดพอพันยูในมักเดชชีวิตของคนนะ่ะมีมักแปดเป็นเครื่องอยู่เดชซึ่งงลาเนินเดชบวชทำความซั่วเลยแหละ ทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องทํานองคล้องทำประเพณีหรือสังคมโลกเขาถูกต้องตามมาร์กเปต์บวทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจใจบวมีชั่วแล้วกายมันถิงชั่วได้จังใดวาจามันถึชั่วได้จังไดมันชั่วบวได้ไเรพราใจมันดีเลยเด้ ใจดีแล้วยังก็ดีวัดถ้าใจบดีแล้วอันไดก็บดีลูกก็บดีลานก็บดีบ้านก็บดีเฮียนก็บดีวัดว่าลามก็บดีพระเจ้าพระสงฆ์ก็บดีเห็นภัยแล้วก็ว่าจะบดีวัดนั้นใจเฮาซั่วแล้วหนึ่งขันใจเฮาดีเห็นยังก็ชัดเย็นวัดเลยว่าโอ้อันนี้นะาสงสารคิดช่วยเหลือคิดคิดอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ จะช่วยเหลือให้ถึงความสุขความเจริญคนว่าได้คุณธรรมทำสุดก็คือโสรบันูงสุดก็คือพระลหันอันนี้ขาาเฮ็ดถูกต้องแล้วมันได้หรอดีมันได้แล้วอันเป็นสั้นลนะ่ะ มักเปลนัเงเป็นทางเนินสมมาทิทิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดำรีชอบความคิดชอบนะสัมมาวาจ่าเกีรจาชอบสมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมา สติตั้งสติมั่นชอบสมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่แปดอย่างนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตของคนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้มดมารแปดนั้นสำคัญที่สุดเลยเฮาดำเนินชีวิตตามมารแปดแล้วเฮาสิบีความสุขที่สุดสีเข้าถึงเป็นความเป็นพระอริยบุคคล ความเป็นพระโชดาบัญความเป็นพระจกิทาคาความเป็นพระนาความเป็นพระละหันสิ้นกิเลสได้ถึงพระละหันโมมีกิเลสเลยแต่สุดาบัญ น, นี้ยังมีอยู่ราคาโทสามห ه ا ยังมีอยู่แต่ว่าเห็นถูกต้องนี่เป็นละสกายาทิฏฐิได้ละวิกิกิจชาได้ไรหมดละกิเลส ชุมหยำหยาบนะละศิลปตะปรามาตย์ได้เนะี่ยสกายะทิธีก็เห็นตัวของเขานี่เป็นยังยั่งยืนเนี่ยแต่พระอริยะโสดบันนี่เห็นแล้วบ่ยั่งยืนมีความแตกสลายตายไปไ ป, ไ, ปได้ที่สุดอันนี้สําำคัญเนี่ยสกายะทิฐีเห็นว่าโตตนเห็นว่ามีโตมีตน หรังยั่งยืนว่ล่มวัวตายอย่างเทือมันเห็นป่านั้นเนี่ยแต่ขั้นมันวันรู้สดาบันแล้วมันเห็นว่าโอ้เกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกเห็นทุกเห็นธรรมะนี่เห็นชัดเจนเลยในใจวัวทุกตำวางหมดเลยเอาวางกับวางวางลงไปเลยทิหมดอะวาวอ เออวางลงหมดเลยนั่นละ่ะนั่นละ่ะอันเมนมันถูกต้องแล้วอันนั่นนะเหตไปทำไปให้ถูกต้องตามมรรคทั้งสี่นแหละมันก็คอยถือถ้าดำเนินชีวิตตามมรรคแปดนี่ก็คือเอาธรรมนูนตามมรรคแปดมาใช่เนี่ยามรรคแปดนี่เป็นธรรมนูนของชีวิต ใช้ชีวิตยอยู่กับมักเปดนี่แหละเ็ดุยังทำยังกินยังอยู่ยังนอนอยังให้กินเอาอยู่ในมักเปดนี่แหละถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็ละได้สกายยทิฏฐิความเห็นกายนี้เป็นของบทเที่ยงแท้แน่นอนศิลปะาตาปรมาตมันเป็นกิเลสบทนั่นแหละสมุนีนะให้ดำเนินชีวิตตามมาักเปดนี่แหละเฮ็ดุยังก็เฮ็ดมักเปดนี่แหละไว้ มันจังสิเขาถึงอาจถึงทำได้ถึงจะพ้นถูกได้ขอเทศให้ฟังเพียงว่าสมาธิทธิกด็ดีสมาสังกปะกะด็ดีสมาวาจจกะด็ดีสมากามนตะกะด็ดีสมาชีวะกะด็ดีสมาวายามะกะด็ดีสมาสติ ตัวดีวมสมาธิตัดีเปลี่ทางนี้เป็นทางดาเนินของชีวิตผููที่จะพ้นจากคพองพุกให้เหตุนำนี้แล้วพ้นทุกทุกคนว่าได้เป็นพระหันก็ต้องได้เป็นพระโสดาบันต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนให้เหตุตามให้ทําตามหลักขันธ์ห้าหูแจ้งขาวก็ใน การเพราะว่าในการปฏิบัติก็ดีอัตมากสิทธิ์เอาหนังสือให้ทุกคนนั่นแหละอ่านเอาแต่อันนี้เทศเทศมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอธิบายให้ฟังพอให้เข้าใจแนวทางให้ถึงความทุกข์นั่นแหละแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปอันพู้ที่เทศเป็นแล้วมันก็เป็น่ยนทั้นแหละมันก็ดีคิดใจมันก็สบาย ใจมันสงบใจมันละเอียดลงไปอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ถือต้องอยู่มันถือกันละ่ะมันจะค่อยหู้แจ้งมันบอถืมอถมันบอกหูแจ้งขึ้นมาหรอกมันเฮ็ดถือกันละ่ะเทิงบุญเทิงกุศลเกา่าเราทํามาแนะ่ความดีเที่ยวเคยบําเพ็ญมาแต่ก่อนแน่อย่างพวกนี้ละ่ะชุมนี้ละ่ะเป็นสุมที่เราที่ต้องดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกได้ นี่จะ ก, กองทุกได้นี่จากความลําบากในโลกในวัตฏสงสารอันนี้ได้ถ้าเฮาบบปฏิวัติตามมาแปดเท่านี้ทุกบ่ได้ดอกเหตุจากไหนก็ดีบ่ได้พอบ่มีหลักธรรมของพระุทธเจ้าดําเนินไปเอาเหตุยังเฮาปฏิการข้องอยู่หันแหละติดขัดอยู่หันแหละไปบ่ได้ตลอดรอดฟังเนื่องจากว่าเฮาบบได้เอามาแปดมาเป็นเครื่องดําเนินกองชีวิต ชีวิตเทานี้มันสําคัญในโกได้ราภเลยได้เป็นมนุษย์นี่มันโชกราภที่สุดเลยถ้าได้มาปฏิบัติตามมากเปดมันแห่งโชกราภขึ้นไปกว่านั้น ไ, ได้เป็นภารียบุคคลแล้วโอ้ยมันเกิดคักสุดคักแล้วทีแบบนี้มันสูงสุดแล้วนี่ถ้าได้เป็นพวกเขาสิเป็นได้บ่เป็นได้ไดถ้าปฏิบัติตามมากเปียด กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นได้บ่ได้ถ้ากินเขาเป็นสมาธิแล้วมันก็ไปพิจหน้ากายก็เห็นเป็นอ น, นิจจังสุขังนาตามันบวัวเที่ยงจากย่างมันทนดูอย่างเดิมว่าได้มันไหลไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นของบ่มีตัวตนที่เขาสี่เขาไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเรานี่ของเราอนั่นของเราอันนี้ของเราเอตังมามะเอโสหามัตสัมีเอโมสมีอมัตตาติน อันนี้มันทางบ่ตถุนี่ตังมะมะเนโสห m a t c มินามโสอนัตตาตินั่นเป็นอนัตตาเป็นความวามีตมีตนแท้จริงมันทำให้เราหลงคืออย่างตัวหลงมานี่มันหลายแสนกลับแล้วหลายล้านกลับมาแล้วหลายแสนกลับมาแล้วเอาหลงเอาติดอยู่นี่ก็เพราะเฮาไระเดามากแปดเป็นเครื่องดับเนินนั่นละ เฮาพบพระพุทธเจ้าเฮาก็ปรดับเนินตามมาเปรตบุญเฮาก็เลยบ่ถึงแล้วบ่ได้บรนลูกมาสุดท้ายภายหลังมาเกิดในชาตินี้เฮาพ่อแล้วบ้านี้พ่อทางลำเนินแล้วเฮาก็เฮ็ดตามนั้นให้มันได้ความสุขความเจริญความงอกงามไพ่บุตรอะไรยังนะก็เกิดขึ้นแล้วในใจของเฮานะี่เฮาก็สิมีความสุขที่สุดสบายใจที่สุด ดีที่สุดงามที่สุดทุกสิ่งถูกอย่างนั้นละ่ะค่อยพากันตั้งใจเห็ดเอาเห็ดเอาบอกม่เห็ดแต่มาฝึกนี่นี่เห็ดเอาคข ม, มือคข ม, มือเห็ดเอาอยู่เรื่อยคอยกันนดลงอยู่เรื่อยค่อยเบังลงยูเรื่อยแต่อย่าง่างซาลายเด้อยางสีไวไวเนีย่ยยางฝอย่างมามจากซาโพดเห็ดแห้มันดีเห็ดแหยมันงาม เทศให้มันพ้นทุกข์ให้ได้เอาละเทศให้ฟังก็ เ, เท่านี้ก่อนเวลาเฮาเศร้าเฮ า, าเศร้าฟังเทศเฮาเศร้าทำสมาธิเฮาเช็ดจังไดไปนี้ให้เฮาคอยเบื้องลมสังเกตบื้อลมไว้ะก่อนอย่าเฝ้าหยุดตึกวางไปเลยมันสิปวดหัวแวมันสิหนักระวัง คิ้วเห่าเนี่ยมันหนักระวางคิ้วมันสหนักระวางความรู้สึกเขามันสิเป็นมึนหัวไปเลยอันนี้เหายังบรทันในบรรลุนะถ้าได้บรรลุแล้วมันบรปิเทนเซนเนี่ยมันบเป็นทนเซนพอวางพาพมันก็เย็นสบายคือเขาอันนี้เห่าบังคับใจเห่าบังคับใจแล้วมันก็เลยเวลาหยุดแล้วมันบรมีเครื่องอยู่บรมีเครื่องตั้งไว้ใจเห่าสิ งงเลมึนตืมหลดมึนหัวนะ่ะให้หายใจลึกสะก่อนคันเวลาเอาสิเศร้าให้หายใจลึกๆลงไปพอหายใจลึกแล้วก็คอยเบื้องลบออกสักสองสามเถ้าเอา อ, เาอย่างหยุดพอเอาอย่างวันสํานานหยุดปั๊บว่าได้ดปั๊บทันทีแล้วก็ลืมไปเลยบอกคิดถึงอันไดว่าได้ต้องคอยคอยเบื้องลบ อ, อ่ อ, อนๆไว้ก็คอยนะคอยน่ะเอาค่อยเบื้งลบเราคอยคอยไว้ ออกสิวทึบทันทีบ่ได้มันจะปวดหัวลดพอเฮายังบ่ตรันบรรลุถ้าบรรลุแล้วมันจะเปลี่ยนมันจะไ่ปวดหัวมันจะเปลี่ยังมันจะสบายอยู่มันจะมีสติสมาธิปัญญาอยู่ในตัวของมันเลยให้สังเกตเบ่จาไว้เลยที่บอกนี่เลย เป็นวิธีรักษาว่าให้ปวดหัวเวลาเราเศ้าทำสมาธิเวลาเราปฏิบัติสมาธิเราจะหยุดนี่อย่าเพิ่งหยุดทันทีให้คอยรู้ลมเสียก่อนคอยกำหนดลมให้หายใจลึกๆ ก, ก่อนพอหายใจลึกแล้วก็ค่อยผ่อน ล, ลมออกแล้วจึงหยุดทำสมาธิ แต่ว่าให้ตั้งสติอยู่กับลมไว้ค่อยๆไว้ให้ตั้งสติไว้กับลมค่อยๆนะบเบาๆนะให้ตั้งสติไว้อย่างนั้นแหละเดินไปก็ให้ตั้งสติเห็ลมอยู่นั่งอยู่ก็ให้ตั้งสติเห็นลมอยู่